ปทมอาอภัพพัฒานาสูตรว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้สูตรที่หนึ่งเกภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการนี้ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดา 2. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรม 3. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขา 5. ้าเป็นผู้ไม่อาจกลับมาสู่เหตุที่ไม่ควรเข้าถึง 6. เป็นผู้ไม่อาจ ให้พบที่แเกิดขึ้นได้ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการ น, นี้แลปัธรมะอาภาพัทธาณสูตรที่8จบ9ทุติยะอาภาพัทธาณสูตรว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้สูตรที่สองสา ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการนี้ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 1. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่าเป็นของเที่ยง 2. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่าเป็นสุขสาเป็นผู้ไม่อาจยึดถือธรรมว่าเป็นอัตตา 4. เป็นผู้ไม่อาจทำอนันตริยกรรมห้าเป็นผู้ไม่อาจเชื่อความบริสุทธิ์โดยถือมงคลตื่นข่าวหกเป็นผู้ไม่อาจสแสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้ภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หกประการนี้แลทุติยะอภพพัฐานาสูตรที่เก้าจบ สิบตาติยะอาภัพพัธธานาสูตรว่าด้วยฐานะที่ไม่อาจเป็นได้สูตรที่สามภก้าสิบสี่พิุท์ทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หกประการนี้ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หกประการอะไรบ้างคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้ไม่อาจฆ่ามารดาสองเป็นผู้ไม่อาจฆ่าบิดา 3. เป็นผู้ไม่อาจฆ่าพระอรหันต์เป็นผู้ไม่อาจมีจิตคิดประทุษร้ายเพื่อทำโลหิตของพระตถาคตให้ห่อขึ้น 5. เป็นผู้ไม่อาจทาลายสงฆ์ให้แตกกัน 6. เป็นผู้ไม่อาจนับถือศาสนาอื่นภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นได้6ประการ น, นี้แลตติยะอภพพัฒนสูตรที่สิบ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 เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองและผู้อื่นได้ทำไว้หกเป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตนเองและผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเหตุและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุอันบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นเห็นได้ดีภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้หกประการนี้แลจะตุทะอภพฐพานสูตรที่สิบเอ็ดจบสีติวัคที่เก้าจบ